เนีมาขึ้นปัญหาที่สี่โลเก น, นัติภาวะปัญหาสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกนะนะกล่าวว่าสิ่งที่ไม่มีนัติภาวะเนี่ยแปลว่านัติปแปลว่าไม่มีเลยสิ่งนั้นน่ะไม่มีอยู่ในมวลโลกสังขารโลกเนี่ยนะไม่มีเด็ดขาดว่างั้นเถอะพระเจ้าไม่รินถามว่าพระคุณเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ปรากฏพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ปรากฏสาวกของพระธราคตก็ปรากฏพระเจ้าจากักรพรรดิก็ปรากฏ พระราชาประจำประเทศก็ปรากฏเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปรากฏคนร่ำรวยคนเรียกว่าคนมีทรัพย์คนไรทรัพย์คนมั่งขั่งเข็นใจเพศชายเพศหญิงปรากฏทั้งนั้นกรรมดีกรรมชั่วก็ปรากฏมูสัตว์ที่เสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ปรากฏสัตว์ที่เกิดในไข่เกิดในมดลูกเกิดในที่แฉะชื้นเป็นโอปปาติกะก็มีอยู่ในโลก สัตว์ที่ไม่มีเท้าก็มีมีสองเท้าก็มีมีสี่เท้าก็มีมีเท้ามากก็มีมกม็สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในโลกหรือพวกยักษ์รักรากสดกุมพันธ์อสูรทานนบคนทันเปรตปีศาจสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกพวกกินนอนพวกมโหระคานาตสุบรันพวกสิทธิวิทยาธรคนมีความรู้วิช า, าคมเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลก ช้างม้าโคโกระบืออูดลาแพะแกะกวางสุกรสีหาเสือโครงเสือเรื่องนี้ม้าป่าเสือดาวสุนัขสุนัข ก, กิ่งจอกสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกพวกนกชนิดต่างๆสารพัดชนิดก็มีอยู่ในโลกเงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีสังศิลาแก้วประพานทับทิมเพชรตาเมลัยทูลเพชรแก้วเปลึกเหล็กทองแดงแร่เงินแร่สํำริดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกภาพเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผภ า, าไม้ภาพเปลือกปานผ้าทอด้วยผ้าพขนสัตว์ พาสสารพัดชนิดเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างหญ้ากับแกลูกเดือยข้าวละมานถั่วเกี้ยวถั่วงาถั่วพลู ก, ก็มีอยู่ในโลกแม้กระทั่งไม้ระกหอมที่รากหอมที่แก่นหอมที่สะเก็ดหอมที่เปลือกหอมที่ใบมีดอกหอมมีผลหอมไม้หอมทุกอย่างก็มีอยู่ในโลกบางทีกลุ่มหญ้านะเช่นหญ้าพวกเครือเท้ากอไม้ตน้นไม้ดวงดาว ปา่าไม้แม่น้ําภูเขาทะเลปลาเต่าทุกอย่างเป็นต้นก็มีอยู่ในโลกไอปัญหาพวกนั้นไม่สงสัยเพราะมันมีอยู่กข เ, เห็นเห็นกันอยู่แล้วกันไอที่สงสัยบอกว่าขอพระคุณเจ้าจงบอกข้าพเจ้าถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกเอออะไรนะไม่มีอยู่ในโลกสิ่งนั้นไม่มีจริงๆเลยในโลกถ้าของเราจะตอบว่าไงถ้าไม่อ่านนิรินดปัญหานะยกมาหมดเ อ, อ๊ะอะไรบั่งที่มันไม่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะนะอะไร มหาปีติโลกนี้ไม่มีอยู่3มสิ่งด้วยกัน3มอย่างเหล่านี้หาไม่ได้หรอกในโลกหนึ่งสิ่งที่มีเจตนาก็ตามไม่มีเจตนาก็ตามที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีในโลกสรุปทั้งสัตว์และสังขารทุกชนิดเนี่ยนะที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีอยู่ในโลกขอให้เป็นสังขารธรรมนะนะยังไงก็ต้องชราแล้วก็แตกทําลายไปเป็นที่สุดสรุปว่าสังขารยังไงก็ต้องแตกทาลาย ให้มันเที่ยงก็แปลว่าความเที่ยงไม่มีอยู่ในโลกก็คืออย่างที่สองก็บอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในโลกโดยปรมัติสิ่งที่บุคคลอาจเข้าไปถือว่าเป็นสัตว์ก็ไม่มีในโลกอันหนึ่งนะถ้าเป็นพุทธพจน์ในพุทธพจน์ในคาถาธรรมบทเนี่ยนะที่กล่าวว่าหนึ่งสมณะพะเรียกว่ารอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศสมณะายนอกก็ไม่มีแต่ ศาสนานี้สังขารที่เที่ยงชื่อว่าไม่มีอันนี้มีเพุทธพจน์อีกที่หนึ่งนะคือ 1. อ่รอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศอยากประทับรอยเท้าวไว้ในอากาศทำได้ไหมทำไงไม่ได้วัรอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศอันดับหนึ่งข้อสองสังขารที่เที่ยงไม่มี 3, สมสมณะคือพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีภายนอกศาสานานี้ตรงนี้ก็ข้อหนึ่งข้อ2อ่นนะนะข้อหนึ่งข้อ2เนี่ย ก็แปลโดยสารว่าสังขารที่เที่ยงอ่ะไม่มีมีอัถฐเหมือนกันส่วนข้อที่สมก็คือบอกว่าอะไรมั่งที่เข้าไปถือเอาว่าเป็นสัตว์จริงๆโดยประมาภินี์ไม่มีอยู่ไหมนะไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งที่เข้าไปถือว่าเป็นสัตว์จริงๆอ่ะไม่มีอยู่จริงในโลกพระเจ้ามิเรนก็ยอมรับว่าพระคุณเจ้าน่าเกษมข้าพเจ้าขอยอมรับตามคําที่ท่านกล่าวมานี้ ก็อบอกอา้าวสัตว์ก็มีสิโคกระบือเป็นต้นก็มีอยู่ทาไมบอกว่าสัตว์ไม่มีโดยประมาทเขาใช่ไหมเป็นสัตว์อา้าวขนใช่ไหมเป็นสัตว์หนังใช่ไหมเป็นสัตว์เนื้อใช่ไหมเป็นสัตว์เอ็นกระดูกเยอะในกระดูกเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์ ก็บอกไม่ใช่แม้แต่คําว่าเขาเองเนี่ยธาตุดินใช่ไหมเป็นสัตว์ธาตุน้ําใช่ไหมเป็นสัตว์ธาตุไฟใช่ไหมเป็นสัตว์ธาตุลมใช่ไหมเป็นสัตว์สีใช่ไหมเป็นสัตว์เสียงใช่ไหมเป็นสัตว์กลิ่นใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์สัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่มีอยู่จริงโดยตรามาไปค้นหาเอาสัตว์จริงๆเข้าไปอะไรเป็นสัตว์มั่ง นะลอกออกมาหมดเลยเนี่ยนะความเป็นสัตว์อยู่นะจุดใดจึงไม่มีอยู่ในโลกพันุสัตว์เป็นต้นไม่มีจริงๆโดยประมาถานี่นะโดยปรมาถะประมาถหมายถึงขันอายตนะธาตุเมื่อวิจัยเลือกเฟ้นก็มีแต่รูปเพราะสลายไปมีแต่เวทนาเพรา ะ, สะเสวยอารมณ์มีแต่สัญญาเพราะสำคัญหมายในอารมณ์มีแต่สังขารก็คือปรุงแต่งใน อารมณ์ทั้งหลายหรือชื่อว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งอารมณ์หรืออายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโภตาภาอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมอารมณ์หรือธาตุธาตก็มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนธาตุวิญญาณธาตุหรือว่าแบ่งเป็นธาตุสี่ธาตุหธาตุ สิบปดเป็นต้น น, นะนะจากขู่ท่ารู ป, ปรท่าจากขูวิญญาณท่าธรรมท่าเป็นต้นพันจึงคน้นคว้าวิจัยโดยเลือกเฟนแล้วสัตว์บุคคลจึงไม่มีอยู่จริงในลูกเนี่ยนะเพราะมีแต่สังขารธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเนี่ยนะแต่ก็มีโดยโวหารเนี่ยนะแต่ว่าโดยสภาวะสัตว์ไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตร์เนี่ยนะก็อย่างถ้าใครเรียนมิลินาปัญหาเล่มแรกมาก็เห็นชัดใช่ไหมพระคุณเจ้าชื่ออะไรบอกชื่อหน้าเกษ ผมใช่ไม้มเป็นนาคเกษบอกไม่ใช่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นใช่ไม้มเป็นนาคเกษหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือขันอายตนาเป็นนาคเกษเอานาคเกษก็ไม่มีอยู่จรงิงนั้นที่บอกว่าท่านชื่อนาคเกษก็มูสามังพระองค์มาด้วยอะไรมาด้วยรถนะพ่วกมาอใช่ไหมเป็นรถเป็นต้น น, นะของมันก็มูสาติดเป็นพระราชามูสาได้ไง พรามไม่ได้มุสาคือเรว่ามันก็เหมือนกันพวกนี้เป็นแต่เพียงโวหารบัญญตัติอย่างคำ ว, คว่าสัตว์วป่าบุคคลว่ายิงว่าชายทั้งหลายเนี่ยนะก็เหมือนกับพวกอะไรนะเล่นโขนนะมันไม่มีตำแหน่งมีอำนาจจริงอยู่ในนั้นรอกยนะก็เป็นแต่โดยโวหารเท่านั้นเอง